อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,135 1. พิกษณีบวชให้กุมารีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีที่สงสมมุติแล้ว 2. ภพิกษณีวิกลจริต 3. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่3จบ